พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสัาน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัาน้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นพึงทําศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรูก้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า พึงทำศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกพึงทำศึกษาว่าจักระงับกายะสังขารหายใจเข้าพึงทำศึกษาว่าจักระงับกายะสังขารหายใจออกพระองค์และพ่องก็อุปมาว่านายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ว่าชักเชือกกลึงสั้นฉันใดก็ดีภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นคือลักษณะของอาณาปานสติมีความเข้าใจในเรื่องลมเป็นอย่างดีเสร็จแล้วถ้าเข้าใจเรื่องลมเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยเป็นภายในมั่งนะเรื่องลมเนี่ยต้องมันวิจัยทั้งภายในมั่งพิจารณาเป็นภายนอกมั่งลมนี่เป็นรูปอะไร ลมเป็นจิตแต่ชรูปเป็นรูปที่เกิดจากจิตเมื่อจิตหยาบลมหายใจก็หยาบเมื่อจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียดถ้าคิดฟุ้งซ่านมากหูหายใจหนักนะหายใจทิงเหมือนกับโอ้โหทึบหายใจหนักมาตามแต่คุณภาพของความคิดถ้าจิตหยาบลมก็หยาบจิตละเอียดลมก็ละเอียดทีนี้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นอ่ะมีจิตเป็นสมุทฐานที่เจรณาลมอันนี้เป็นภายในว่าเราก็มีจิตเป็นสมุทฐานในการหายใจเข้าออก คนอื่นก็เหมือนกันเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างถ้าหากว่าเราจะเอาลมหายใจเป็นหลักก็ต้องรู้ความรู้เรื่องลมให้ตลอดสายเหมือนเราเดินทางนะจะไปไหนก็ควรรู้ให้มันตลอดสายในถนนเส้นนั้นสไนเดี๋ยวไปเจอทางเลี้ยวเอเจอสามสี่แยกเข้าไปเอ๊ะทำยังไงเนี่ย เลี้ยวซ้ายหืยเลี้ยวขวาเรียนมาก็ไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นก็ลําบากอันนี้คือเรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ถ้าเรื่องของพุโทโธพุโทโธนั้นเป็นคนแขกใช้คําว่าพุโทโธคนไทยใช้คําว่าพระพุทธเจ้าคนละภาษาแขกนี่ไม่มีคําว่าพระอย่างมากก็มีวระแปลว่าประเสริฐพระกับวระอันเดียวกันคนไทยก็เลยมาเป็นคํายกย่องไครก็ต้องใช้คําว่าพระนําหน้า พระนำหน้าก็มาจากวระวาประเสริฐนั่นเองพระก็แปลว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพุทธาก็คือพุทธาก็คือผู้ตรัสรู้สัจจะพุทธาในพุทธศาสนาเนี่ยนะหลายท่านแปลว่าพุทธคือผู้รู้อรู้ธรรมดานี่เราก็รู้ใช่ไหมใครไม่รู้ ม, งมองเห็นเราก็รู้แล้วใช่ไหมหูเราก็ได้ยินเอา้าวใจเราก็นึกคิดเราก็รู้หมดแหละแต่รู้อย่างนั้นไม่เชื่อว่าเป็นพุทธเพราะไม่รู้อริยสัจ เพราะฉะนั้นคําว่าพุทธะคือผู้ที่รู้อริยสัจจึงชื่อว่าพุทธะแต่พุทธะนั้นเราเคยได้ยินมีกี่อย่างนะพุทธะพุทธะมีกี่อย่างคะมีสามหรือสี่สี่อย่างนะพุทธะอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะพุทธะแบบนี้เรียกว่าพระอรหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพุทธะอย่างที่สองเรียกว่าปัจเจกพุทธะ พุท่าที่สามเรียกว่าสาวกพุท่าผูท่าอย่างที่สี่เรียกว่าสุตตะพุท่าผูท่าแบบผู้ได้ยินได้ฟังมาฟังเรื่องอริยสัจมาบอกผู้ทธาเหม Lao ือนกันแต่รู้แบบฟังมานะยังไม่เชื่อว่าเป็นสาวกถ้าสาวกต้องแทงตลอดอริยสัจนะถ้าจะใช้คําว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคจริงๆนะ่ะต้องแทงตลอดอริยสัจจึงเรียกว่าสาวกแต่ถ้ายังไม่แทงตลอดอริยสัจนี้ก็ยังเรียกว่าสุตตะพูท่าใช่ใก่อน ยังไม่ชื่อว่าสาวกพุทธะเพราะฉะนั้นอย่างของพวกเราก็เป็นสุตตะพุทธะเป็นพุทธะเพราะได้ยินได้ฟังมาได้ฟังในเรื่องอะไรได้ฟังมาในเรื่องอริยสัจอย่าลืมว่าพุทธะนั้นคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจของเราก็ยังไม่ถึงกับตรัสรู้นะรู้พอๆแล้วรู้อริยสัจถามมารู้อริยสัจนี่นะรู้อริยสัจนี่รู้แบบไหนก็ต้องเปิดไปที่หน้า จำหน้าเดิมไม่ด้วยแล้วแล้วก็เปิดหน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งเปิดไปที่หน้าสามเปิดไปที่หน้าสามถ้าตรัสรู้ธรรมะจะตรัสรู้ในลักษณะใดนะนะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะรู้ว่าข้อหนึ่งเลยนะว่าตรัสรู้ทมทั้งหลายที่เป็นอภินญญาธรรมคือธรรมที่พึงรู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งได้แก่วิชาและวิมุตตมรรคผล นี่คือคําว่าทำที่ควรรู้ยิ่งธรว่าพุทธะตรัสรู้รู้แบบเนี้ยรู้วิชาวิมุติคือมรรคผลหรือว่ารู้สัจธรรมทั้งสี่อย่างนี่คือเรียกว่าผู้ที่รู้ยิ่งตรัสรู้ว่าเออทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งตรัสรู้ทำทั้งหลายที่เป็นปริญญยะทมที่พึงรอบรู้ได้แก่ทุกขาริยสัตว์ทุกขาริยสัตว์นี้ตรงนี้ใช้คําว่าปริญญาใช่ไหมแสดงว่ากิจในทุกขาริยสัตว์มีปริญญา สามมีปริญญาสามในทุกขาริยสัตว์และก็สามก็ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นปหาตับพระธรรมที่พึงละได้แก่ธรรมทั้งหลายอันเป็นฝักฝ่ายของสมุทัยสัตว์ก็คือบาปอคุศลทุกชนิดที่เป็นสมุทัยสัตว์ธรรมะเหล่านี้ควรละคําว่าละเนี่ยนะปะหานะมีกี่อย่างนะปะหานะมีห้าอย่างหนึ่งแต่ทางข้าปหาณสองวิขำบรระหประหาณสามสมุดเฉทถ้าปหาณสี่ ปฏิปสัตธิ i ปะหารและก็นิสรณะปะหารปะหานะ ห, านาหา้าเรียกว่าปหารแต่ระทำทำที่ควรละคือบาปอากุศลทุกชนิดและตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นสัจจิกขาสพพะธรรมะที่พึงทําให้แจ้งได้แก่นิโรธสักได้แก่นิพพานคําว่านิโรธเนี่ยนะแต่ทางค่านิโรธวิคัมพนะวิโรธแต่ว่านิโรธตรงนี้หมายเอานิสรณะน่ะเอาระดับนิพพาน ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นภาเวตาภะคือธรรมะที่พึงเจริญได้แก่มัคสักเนี่เาเรียกว่าตรัสรู้ธรรมะเรียกว่าการตรัสรู้ตรัสรู้แบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แบบนี้แต่ถ้ารายละเอียดละเอียดละเอียดก็ไปเพ่งลึกๆต่อไปแต่ให้รู้ว่าคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยท่านตรัสรู้แบบนี้แต่พระพุทธเจ้ามีคำว่าสัมมาอยู่นาหน้าแปลว่าด้วยตัวเองบ่งถึงการตรัสรู้ ด้วยตัวเองสัมมาเนี่ยสัมมาตัวเนี่ยโดยด้วยตัวเองสัมพุทโธสั่งตัวนั้นแปลว่าโดยถูกต้องตรัสรู้โดยถูกต้องด้วยตัวเองในธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะทีนี้ก็หันไปหน้าสิบสองเหมือนเดิมจะได้รู้ว่าเออท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้แบบนั้นนะแต่เป็นการตรัสรู้แบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์ในการตรัสรู้สัจจะทั้งสี่อย่างนี้ ในธรรมะที่พระองค์ไม่เคยสดับมาก่อนเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินว่าโอ้โหนี้ทุกขอริยาสักนี้ทุกขสมุทัยอริยาสักนี้ทุกขนิโรธอริยาสักนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสักพระพุทธเจ้าไม่เคยได้สดับมาจากสามัญพรามเหล่าได้มาก่อนเลยไปอยู่กับอาลาละดาบทอาลาละดาบทก็ไม่เคยบอกไปอยู่กับอุสกะดาบทรามบุตรอุสกะดาบทรามบุตรก็ไม่ได้บอก นำมาเพ่งมาพิจารณามาค้นความมาไตรตรองมาพิจารณาเองนะพระองค์จึงได้รู้ธรรมะเหล่านี้ถามว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยของเราไม่ตรัสรู้บ้างไงนะทําไมของเรากับท่านจึงต่างกันวันนี้มีบุญนะมีดนตรีประกอบด้วยวันนี้เทศีนะมีดนตรีประกอบเรามีบุญกันนะฟังธรร ม, มะมีดนตรีประกอบกัน บุมันให้ผลบางทีนี่ยมันก็ไม่น่าเอาเหมือนกันนะเสียงพ่อๆบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงตรัสรู้อย่างนี้ด้วยพระองค์เองบรรลุความเป็นสัพพัญญูในสัจจะทั้งหมดอีกถ้าเป็นพระสาวกทั่วไปนะจะตรัสรู้อริยสัพเป็นบางส่วนบางองค์เนี่ยตรัสรู้เช่นเช่น 5, ขันห้าขันห้าสมุทยัยขันห้านิโรธขันห้านิโรธคามินีปฏิปทา เป็นบางส่วนนะอย่างรูปเนี่ยสาวก บ, บางองค์ไม่ได้ตรัสรู้อย่างละเอียดทุกรูปนะนามก็ไม่ได้ตรัสรู้ละเอียดทุกนามแต่จะตรัสรู้เป็นเอกเทศอย่างพระ้าหั่นบางองค์เนี่ยท่านไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ชานอย่างเงี้ยท่านไม่ได้เอาชานมาส่งข้อลงอริยสัจมองชานเป็นทุกขสั์โดยละเอียดอะไรเพราะท่านไม่มีธรรมะเหล่านั้นเกิดในตัวท่านแต่พระพุทธเจ้านั้นอนะพิจารณาธรรมะโดยไม่มีเหลือ เขาบอกว่าถ้าสาวกธรรมดาก็จะอย่างภายในภายนอกก็แคบแคบเล็กน้อยถ้าเป็นสาวกกว้างมาหน่อยก็พิจารณาเยอะกว้างเข้าไปอีกถ้าถ้าปัจเจก็กว้างไปมากมาถ้าผู้เจ้าไม่มีอะไรที่ไม่พิจารณาพอตรัสรู้มาแล้วนั่งพิจารณาของเก่าอีกเนี่ยนะที่ตรัสรู้อีกเป็นอาทิตย์อ่ะนั่งทบทวนที่ตรัสรู้อีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะทบทวนวิชาที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะผู้ที่ศึกษาในพุทธประวัติพุทธประวัติตาม ว, ว, นะวินัยมหาวักนะวิ 4, นัยมหาวักเล่มสี่ในในฉบับสี่สิบห้าเล่มอยู่เล่มสี่ฉบับเกาสิบเอ็ดเล่มอยู่เล่มหกแล้วก็ในคัมภีร์หนึ่งก็คือในอุทานในอุทานสามสูตรแรกจะ ก, กล่าวถึงที่พระ อ, องค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเพราะพระองค์เนี่ย พ, ออพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่มีอะไรที่พระ อ, อง ค, ค์ไม่เคยให้ครวรไม่เคยตรายตรองไม่เคยพิจารณา มันพระองค์จึงเป็นสัพพัญยูสัพพะเนี่ยแปลว่าสัพพะสัพพะทุกสิ่งทุกอย่างบ่งถึงความรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้รู้ในสัจจะนั้นและเป็นผู้ชํานาญในพลายานทั้งหลายพลายานพลายานญานคือกําลังกําลังนั้นสิบอย่างคือหนึ่งฐานาฐานายานเป็นต้นนั่นเองนะในทศพลายานสิบ ธรรมะหมวดสิบไปดูได้ในทศพลายามสิบอย่างสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้แล้วความรู้ของพระองค์เนี่ยรู้แบบคนชํานาญอะ่ะวันนี้คุูเจอมึมเราไปไปเพ่งเรื่องอะไรนะธรรมะทนต่อการเพ่งใช่ไหมเขาบอกว่าธรรมะทนต่อการเพ่งมีสองอย่างครับว่าสองอย่างคืออะไรลองว่าที่สองอย่างมีอะไรบ้างผมไปไปพิจารณาที่ท่านอาจารย์พูดว่าธรรมะทนต่อการเพ่ง ผมว่าเอทนต่อการเพ่งมันทนยังไงผิดถูกไม่ทราบนะครับแต่เข้าใจว่าคําว่าทนเนี่ยทนทั้งตัวผู้เพ่งเองแล้วก็ธรรมะก็ทนด้วยที่ว่าธรรมะทนคือทนอยังไงทนต่อความเป็นจริงส่วนตัวผู้เพ่งนั้นที่ทนก็คือต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วย เพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตื้นๆเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลามีความอดทนเพ่งพิจารณาส่วนธรรมานั้นก็ทนต่อการเพ่งก็คือเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะพนไปจากความจริงไปได้แสดงว่าการเพ่งมีสองอย่างใช่ไหม เขว่าทนเนี่ยคำว่าทนเนี่ยทนสองอย่างเหมือนกันคนเพ่งก็ต้องทนเพ่งไม่ได้ทําวันเดียวสองวันเหมือนนันต้องทนข้อสองสิ่งที่เพ่งก็ต้องของจริงอ่ะต้องทนต่อการเพ่งจริงจริงอ่ะแล้วก็ว่าตรงนี้ถ้าถ้าพูดในลักษณะอ่าย้อนมาหาเรื่องสัพพัญญูก็เหมือนกันพระองค์นี่รู้สัจจะโดยสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วตรัสรู้แบบคนชํานาญในการเพ่งชํานาญในความรู้นั้นๆด้วยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้ท่านมีความรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะลืมหมดแล้ะเรียนมามากมายลืมหมดเกี้ยงเลยแต่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยโอ้โหความรู้เยอะแต่ว่าหมดไปแล้วละความรู้ก็อนิจจังไงไหมไม่เที่ยงอีกแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นความรู้ของพระ อ, องค์ชํานาญในตัวความรู้ด้วยชํานาญในสิ่งที่ถูกรู้ด้วยชํานาญในตัวความรู้ด้วยถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะจะเป็นลักษณะนั้นคล่องแคล่วอ่ะ เขาบอกว่าคนที่สวดมนต์คล่องนั่นอยู่ที่ไหนก็สวดได้ใช่ไหมเรียกว่ามนต์คล่องไปเจอมา ง, งานเนี่ยนึกมนต์ไม่ออกนกี่ก็แย่แล้วเรียกว่าไม่คล่องอย่างนี้ไม่ได้เพราะองค์เนี่ยชนานาญในเรื่องยานทั้งหมดแบบนั้นะเมื่อไหร่ก็ได้เขาบอกว่าธรรมะทั้งหมดเนื่องด้วยอาวัชนะของพระพุทธเจ้ามโนทวาราวชนะคิดปุ๊บจะรู้เรื่องอะไรอะ่ะเรื่องนั้นจะมาทั้งหมดเลยนะเรื่องนั้นจะมาทั้งหมดเลยประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ขณะไหนก็ได้ ตามแต่พุทธประสงค์แต่ไม่ใช่ว่าพระองค์เดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้หลับก็ยังรู้อีกไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวไปว่าสัพพัญญูทุกอิริยาบทไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าขณะที่พระองค์เข้าผวางังแล้วพระองค์จะรู้นะพระองค์ก็เข้าผวางังพระอง์ก็หลับเหมือนกันนั่นแหละแต่รู้ทุกเมื่อที่ทรงประสงค์ประสงค์เมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแต่ถ้าศาสนาอื่นนะที่ปฏิญาณว่าเป็นสัพพัญญูในรู้ในทุกอิรยาบททั้งสี่เลยหลับยังรู้เลยเหรออันนี้ก็เกินไปกงั้น อันนี้เกินไปของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือเนื่องแต่อวัชนาการไข่ครวญประสงค์เมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลักษณะนี้แล้วไม่มีติดขัดด้วยนะจึงสามารถปฏิยานปฏิยานฐานะผู้เป็นโจกบรลูสรีหนาตประกาศพรหมจักรประกาศธรรมจักรให้เป็นไปอย่างไม่ขั้นท้ามพระองค์เป็นลักษณะนั้นนี่คือพุทธโธ มันเวลาที่เรานึกถึงผู้โทรเป็นต้นก็นึกถึงพุทธคุณเหล่านั้นเป็นการเจริญพุ้ฐานุสติแต่ไม่ใช่ว่าการเจริญนั้นมันจะยานะสัมปยุตหมดแลนะพนะี่ว่ามีความเข้าใจก็คือแบบยาณสัมปยุตยาณวิปยุตก็ได้ถ้ามีศรัทธามีศรัทธาก็นึกผู้โทรผู้โธรผู้โ ท, โทไปก่อนบางบางทีมันนึกอย่างอื่นไม่ออกมันเติร์ไปหมดแน่นะอนะผู้โธก็ยังเรียนนะนึกถึงท่านก่อสบายใจก่อน นะอาศัยความสบายใจแล้วก็มาไถ่ควรถึงพุทธคุณเหล่านั้นต่อไปอีกเอ้ยพุทโธเนี่ยคํานี้กว่าจะเกิดเนี่ยชั่วแสนโกรธลับก็ไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆนะคําเหล่านี้เนี่ยนะโอ้ได้ทองในกระบุญแล้วได้ทองได้คิดถึงนี่ก็มหากุศลมากมายแล้วถ้านึกถึงคําว่าพุทโธกับนึกถึงนายกเนี่ยนะนึกถึงใครดีกว่าพุทโธดีกว่านึกถึงนายกบางทีเป็นอารมณ์ของโลภะนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเอ๊ะเอาโลภะมาทําอะไร ไม่ได้เกื้อกูลต่อโลภะเลยนะโลภะขยับนะเนนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโทสะก็เกรงกลัวนะเกรงกลัวพระพุทธเจ้าโมหะเนี่ยหนีพระพุทธเจ้าหน้าดูเลยแต่ถ้านายก็นายขอนางงอเป็นต้นถ้าเรานึกถึงเมื่ อ, อไหร่นะโลภะได้เรื่องละแต่ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นึกนายกออีกโทสะมาแล้วนึกถึงนายงอโมหะอีกขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ยินดีในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีแล้วก็ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงแต่ถ้านึกพระพุทธเจ้านะถึงความเข้าใจไม่เพียงพอก็เป็นมหากรุสัญนวิปปยุตไปมันพัฒนากันได้นะความรู้นี่พัฒนากันได้ขอให้ตั้งใจว่าให้ถูกในหน้าสิบสองเนี่ยควรจํำนะเพอไมเงยังจําไม่ได้เลยจําพยัญชนะแบบนี้ไม่ได้แต่อธิบายแบบนี้ได้คือคือเข้าใจอนะสามารถทูดตามนี้ได้แต่ว่าจําไม่ได้ทุกพยัญชนะเลย พระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญยูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นพระพุทธเจ้ายังหมูสัตว์ให้ตื่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะปราศจากกิเลสโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ตามคาำพินิเทศท่านกล่าวไว้ลักษณะนั้นตรงนี้ก็คือเอาข้อความจากอาจารย์ถาท่านให้ความจํากัดความโดยย่อของคําว่าพุทโธซึ่งเราควรทรงจําเอาไว้ แล้วไปเพ่งตามนี้นะทุกคําทุกคําทุกคําในคําเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคําที่ทนต่อการเพ่งหมดเลยทนต่อการเพ่งมีสองอย่างนะที่คุณจะอมม า, มากเมื่อกี้หนึ่งคนเพ่งก็ต้องทนเพ่งข้อสองและสิ่งที่เพ่งก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะสองอย่างนี้สัมพันธ์กันจึงจะไปได้สวยอันนี้คือคําว่าพุโทโธพุโทโธเมื่อมีจิตที่มีคุณเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วเรียกชื่อด้วยก็ วิเศษมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นไปกับคุณธรรมเหล่านี้กับธรรมะเหล่านี้หนึ่งนาทีก็เป็นกุศลจิตหนึ่งนาทีไปถ้าทําได้หนึ่งชั่วโมงก็เป็นกุศลจิตชั่วโมงไปก็สุดแท้แต่วีรยินศรีใครจะมีความเพียรพยายามขนาดไหนความเพียรพยายามเหล่านั้นเนี่ยแล้วแต่ศััทธาศรีถ้าคนมีศรัทธามากก็พยายามพิจารณากําหนดได้มากคนมีศรัทธาน้อยก็ปฏิบัติกําหนดได้น้อยแต่ทีนี้ศรัทธาก็มีอาหารใช่ไหม ศรัทธาก็พื้นฐานมาจากการฟังความรู้อย่างเพียงพอนั่นเองนั้นสรุปแล้วธรรมะเกิดจากปัจจัยถ้าได้ปัจจัยพร้อมกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นก็เกิดเกิดจากอาหารขนาดโทสะยังมีอาหารเลยใช่ไหมได้ปฏิฆะนิมิตมาเมื่อไรเนี่ยอาหารเกิดขึ้นมาแล้ว อ, อ้วนนะอ้วนเอกุศลก็เหมือนกันอาศัยศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจว่าหูพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรูสรสร้สัจจะตรัสรู้สัพพันญูนะมีสัพพันญูเนี่ยตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านท่านมาอย่างไงจึงได้มาตรัสรู้เพราะท่านมีอภินิหารนะอภินิหารเนี่ยท่านจึงได้ตรัสรู้ได้อภินิหารคืออะไร คือความปรารถนานั่นเองมนโปนปณิธานอะ่ะมนโปนปณิธานก็คือความปรารถนาแต่ความปรารถนาจะสําเร็จได้มีมีองค์ประกอบเท่าไหร่ความปรารถนาจะสําเร็จได้โดยที่มีองค์ประกอบองค์ประกอบนะในเอกสารหน้านี้หน้ า, นาหน้าฉบับนี้นะอัตกถาชาดกหน้ายี่สิบสี่หน้ายี่สี่พลิกไปกลางๆเล่มอะ่ะหน้ายี่สิบสี่ ในหน้า24เนี่ยจึงจะทำให้เห็นว่าคนที่ตั้งความปรารถนาจะสาเร็จได้ก็มีองค์ประชุมอยู่8อย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ความปรารถนานั้นเรียกว่าอภินิหารดังนั้นอภินิหารเนี่ยนะจะสาเร็จได้เพราะมีองค์ประกอบ8อย่าง8อย่างก็คือความเป็นมนุษย์ความถึงพร้อมด้วยเพศเหตุการเห็นภาาสดา การบรประชาการสมบูรณ์ด้วยคุณการกระทําที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ฉันทะความพอใจอย่างแรงกล้าองค์ประกอบ8ดอย่างนี้ทำให้อภินิหารสำเร็จได้เมื่อมีอภินิหารครบ8ดอย่างนี้แล้วจะได้รับพุทธพยากรณ์จะได้รับพุทธธรรมนายว่างั้นเถอพุทธพยากรณ์กับธรรมนายเนี่ยไทยชอบคําว่าทํานายคนแขกเขาชอบพยากรณ์ พยากรณ์ว่ายังไงพยากรณ์ว่าอีกสีอสงไขยแสนกับข้างหน้าชายผู้นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่าพระโคโดมพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้า พ, พนามว่าพระโคโดมพระโคโดมนี้มีอายุเท่าไหร่เกิดในยุคมนุษย์มีอายุประมาณร้อยปีมีใครเป็นพ่อพุทธเจ้ามีใครเป็นพ่อมีพระเจ้าสุโธธนะมีใครเป็นแม่ พระนางเสรมหามายามีใครเป็นผู้ท่อุปทามีพระอานนุ์ใครเป็นอัคาราสาวกฝ่ายขวาพระสารีบุตรเนาะใครเป็นพระอัคาราสาวกฝ่ายซ้ายพระโมคคัลาใครเป็นภิกษุณีคู่เลิศนางอุบลวรรณาเถรีและพระนางเขมาเถรีมีใครเป็นอุปทาชื่อจิตตะคุระห บ, บดีเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะ ได้รับพุทธพยากรณ์มาแล้วเมื่อสี่อสงไข่แสนกลับที่แล้วนะมีคนทํานายไว้แล้วว่าเหตุการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นมีคนพยากรณ์ไว้สมัยนมนานแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยากรณ์ชื่อว่าอะไรองค์แรกเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ทีแรกเมื่อสมัยนมนานแล้วนานก็สี่อสงไข่แสนกับอ่ะกับเดียวก็กระดูกกองโตกับเขาเวปุระบรรพตอ่ะ กลับหนึ่งนี่กนานเต็มทีแล้วนะแสนกลับเนี่ยเศษนะเศษแสนกลับนะกลับหนึ่งเอาเลขเลขหนึ่งมาตั้งเลขศูนย์ติดห้อยท้ายร้อยสี่สิบตัวเรียกหนึ่งอสงไขยอย่างนี้สี่ครั้งแล้วก็เศษอีกแสนกลับรอได้นะรอไม่ได้เราจะไปไหนก็อยู่ที่นี่หนแหละก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยอะก็บอกโอ้นานขนาด น, นั้นเลย <S <S โอ้นี่ถ้าเราตั้งความปรารถนาแบบนั้นมาได้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วสมัยนั้น่นะ เราก็มัวแต่คิดมานานเลยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะนานก็นอนจริงๆแล้วทาไงอะ่ะอยู่เฉยๆต่อไปไง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้มีพี่นิหารอะไรมาสัก <c oughs> อย่างเลยนะรอที่ดีอย่างดีนะรออย่างนี้ร อ, ร อ, รอในมนุษย์เนี่ยยังพอได้ฟังธรรมบ้างะนะ <c oughs> อยู่ที่อื่นนี่ยยังไง <c oughs> ที่ดูนะว่าสัตว์เนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ในชนบทกันในเมืองไหนมากกว่า <c oughs> ชนบทมากกว่า <c oughs> แล้วคนในเมืองเห็นผ้าริยะกลับไม่เห็นไหนมากกว่าบอกไม่เห็นมากกว่าที่เห็นผ้าริยะแล้วได้นั่งใกล้ได้นั่งฟังเนี่ยนะอันไหนมากกว่าไม่ได้ฟังมากกว่าที่ได้ฟังแล้วจําได้อันไหนมากกว่าจําไม่ได้มากกว่าที่จําได้แล้วเอาไปปฏิบัติได้ไหนมากกว่าเอาไปปฏิบัติตามนี่น้อยที่ปฏิบัติตามแล้วสมควรแก่ทําอีกน้อยลงไปอีก ก็น้อยไปเรื่อยๆกรองไปกรองมานะเอาน้ำมหมาส ม, มุทรมากลั่เป็นน้ําดื่มอ่ะนะเท่าไร่กว่าจะได้น้ําดื่มแก้วหนึ่งอ่ะนะบทภูเขาทั้งลูกหาทองคำอ่ะก็ยากลักษณะ น, นั้นอ่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้รับพุทธพยากรเลยอ่าได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยหรือนั่งรอนอนรอเลยโอ้โหคนนี้นะสมมตแิแต่มีใครสักคนหนึ่งมาทายนะอ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งมาทายว่าเด็กคนนี้นะอนาคตจะได้เป็นแม่พับ อขามีใครมาทายมาเด็กคนนี้อนาคตอีกสามสี่สิบปีเด็กชายคนนี้จะเป็นแม่ทัพดีใจใหญ่เลยนอนรอยอย่างเดียวเลยกายหน้าผากรา อ, อนาคตมีหวังยังไงเราก็เป็นแม่ทัพแน่นอนใช่ไหมได้เป็นไม่เด็กคนนั้นอ่ะมันได้เป็นแน่นอนอย่างมากก็อาจจะพวกแถแนครัวนะแถแนหาสเสบียงไปอไปหาเก็บผักหักฟืนไปมีหน้าที่เท่านั้นแหละท่านอนรอนะไม่ได้มีแน่เป็นแม่ทัพอ่ะทาไงอ่ะ ก็ต้องมีวิชาที่จะทำให้เป็นแม่ทัพได้อันนี้ก็เหมือนการพระองค์รับพยากรณ์เลยว่าเออฤศีคนนี้อกอกศียสงขขยแสนกลับข้างหน้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในความที่ท่านมีบารมีมีอินทรีย์เนี่ยท่านตื่นตัวเลยว่า เ, ออเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องมีธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธการะธรรมพุทธการะธรรม ก า, การกาบแปล ว, ว่าทำธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรหมายถึงบารมีทั้งบารมีถ้าจะนับย่อๆก็สิบนับแบบพิสดารหน่อยก็สามสิบนะมีบารมีทั้งหมดสามสิบมหาบริจาคห้าบำเพ็ญโลกัธจริยาบำเพ็ญยาตถาจริยาพุทธจริยามีการแสดงคำเป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าพอสุเมศบัณฑิตเนี่ยท่านได้รับพุทธพยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็นั่งคัดสมาธิเลยพิจารณาดูว่าเอ๊ะธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ที่ไหนในทิศ ท, ทั้งสิบทิดไปเลยในทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะคิศใหญ่ๆมีสทิศทิศเฉียงๆอีกสี่ทิศเป็นแปดทิศข้างบนข้างล่างนับเป็นสิบทิศแล้วบารมีสิบอยู่ที่ไหน ในสิบทิศเนี่ยนะไม่ได้อยู่สักทิศเลยเพราะอยู่ในใจเพราะบารมีสิบไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ใจแต่เป็นใจที่สมาทานในการประพฤติบารมีทั้งสิบอย่างนั้นต้องสมาทานนะไม่สมาทานไม่เกิดแน่เราจะเห็นว่าเปิดไปหน้าสามสิบกนะหน้าสามสิบหกที่เรากําลังบรรยายถึงอันนี้อารัมพบทย้อนหลังเนาะยังไม่ได้เข้าต่อเลย ทบทวนไปทบทวนมานะทบทวนจนคนทบทวนจะจําได้แล้วเกือบจําได้แนละ้วอย่างน้อยๆให้คนทบทวนจําได้ก่อน่ะนะคนฟังก็ถ้าคนทบทวนจําได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึง <c oughs> หน้าสามสิบหกนะข้างที่แล้วที่ภู ก, การถนัดกลืนวัดนะั่งหัวชั่วโมงเลยนะว่าไงถึงบารมีข้อที่ที่สี่นะก็คือเข้าถึงปัญญาบารมีใช่ไหม เพราะบารมีทั้งสิบอย่างเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยการสมทานที่ว่าลําดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านั้นเลย<ม>เขาได้เห็นปัญญาบารมีข้อที่สีได้มีความคิดว่าดูก่อนสุเมศบัณฑิตจําเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบําเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์บอกตัวเองเลยนะว่าจะต้องทําอย่างนี้นะ ตั้งใจไว้เขาบอกสัญญากับตัวเองเลยนะสัญญากับสัญญาเอาไว้ให้มีสัญญาแบบนี้ต่อไปตั้งใจไว้บ่อยๆคือตอกย้ําว่าจะต้องทําแบบนี้ต่อไปท่านอย่าได้เว้นใครๆเลยในการบําเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยต้องไม่เลือกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นเลวชั้นปานกลางชั้นสูงพึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหาคือเพื่อที่จะเข้าไปถามปัญหาเหมือนอย่างว่า พิกสูผู้เที่ยวไปบิณทบาทมิได้เว้นตระกูลรายๆในบรรดาตระกูลที่แตกต่างกันมีตระกูลชั้นต่ำเป็นต้นเที่ยวไปบิณทบาทตามลำดับย่อมได้อาหารพอยังชีพโดยพลันชันใดยกตัวอย่างว่าพระไปบิณทบาทเนี่ยนะเดินรับบ้านนี้ไม่ไปจะไปบ้านรับไปบ้านโน้นห้หายตัวไปไงก็คงเดินบินทบาทไปตามลำดับเรือนนั่นแหละใครจะใสก็ใส่ถ้าได้ขออาหารพอประทังชีวิตไปผู้ที่สมาทานปัญญาบารมีก็ลักษณะเดียวกัน แม้ท่านก็เข้าไปหาบัณฑิตแล้วไต่ถามอยู่จักได้เป็นพระพุทธเจ้าฉันั้นดังนี้เขาได้อธิษฐานกระทําปัญญาบา ร, รมีข้อที่สี่นี้ให้มั่นสมาทานตอกย้ําลงในใจเลยนะใจเราต้องเป็นใจชนิดนี้นะเป็นใจที่ต้องไปหาบัณฑิตเพื่อไต่ถามปัญหาเพื่อที่จะบําเพ็ญปัญญาอันนี้ให้บริบูรณ์จึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใจอ่อนแอเนี่ยนะไม่มีปัญญาเพียงพอตัดสรู้อะไร มันก็สมาทานมั่นลงในจิตใจแสดงว่าพระองค์นั้นนะฮะครบในธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเจ้าพระคือผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ว่าจะอยู่ใ น, นานะอย่างไรพระวกก็เข้าไปหาใช่ไหมครับเ ผ, ผมก็ยังยังสงสัยว่าปัญญาขั้นนี้เนี่ยนะฮะพระองค์สแสวงหานี่แล้วพระองค์ได้อะไรบ้างนะแล้วจากใครบ้างแล้วเป็นปัญญาคงจะไม่ใช่ปัญญาขั้นสูงนะอาจจะแค่กัรมสกตาปัญญาหรื อ, อยังไงไม่ทราบครับคือยกตัวอย่างว่า ที่ท่านเข้าไปถามเนี่ยนะก็เข้าไปถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลชั้นต้นเลยนะการเข้าไปไต่ถามปัญหาก็คืออะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญอะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้อะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าอะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคําถามทั้งหมดที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะสุดแท้แต่คนที่ตอก ถ้าคนตอบฉลาดมากเขาก็จะตอบถึงที่สุดแห่งปัญหาถ้าคนตอบมีปัญญาน้อยเขาก็จะตอบน้อยอะไรมีโทษไม่มีโทษถ้าคนมีความรู้ในโลกนี้เขาก็แนะนําว่าคุณควรทํามาหากินอย่างนี้นะคุณควรประกอบอาชีพแบบนี้แบบนี้นะจึงจะได้ไม่มีโทษแต่คนที่มองชีวิตไปโลกหน้าอีกเขาก็จะบอกเออคุณทําอย่างนี้นะเพื่อประโยชน์แห่งโลกหน้าต่อไปคนที่มีปัญญามองได้หลายๆโลกหลายๆชาติเขาก็จะแนะนําไปจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือเข้าไปใดถาม